ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกหนึ่งหผู้ชนะโลกทั้งสามและรู้จักเลือกเฟ้นธรรมะใครเล่าจะชนะแผ่นดินนี้และยมโลกกับทั้งเทวโลกใครเล่าจะเลือกเฟ้นบทแห่งธรรมที่ถากดแสดงดีแล้วเหมือนหนึ่งช่างดอกไม้ที่ฉลาดเลือกเฟ้นดอกไม้ฉะนั้นผู้ศึกษา จะชนะแผ่นดินนี้และยมโลกกับทั้งเทวโลกผู้ศึกษาจะเลือกเฟ้นบทแห่งธรรมหรือธรรมะที่ตถาคตแสดงดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้ที่ฉลาดเลือกเฟ้นดอกไม้ฉะนั้นสาหรับข้อนี้แผ่นดินนี้หมายถึงแผ่นดินภายในคืออัตภาพร่างกายยมโลกคือนรกเทวโลกคือสวรรค์ และคําว่าผู้ศึกษาแปลจากคาว่าเสคัโดยทั่วไปแปลว่าผู้ศึกษาโดยเจาะจงในทางธรรมหมายถึงพระอริยบุคคลผู้บรรลุมรรคผลตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงจวนจะบรรลุขั้นสุดท้ายคือตั้งแต่โสดาปติมัคถึงอรหัตตมักหนึ่งรหผู้ที่มัจจุราชมองไม่เห็น บุคคลรู้กายนิว่าเป็นเสมือนป อ, องน้ำคือแตกทำลายง่ายรู้กายนิว่ามีธรรมดาเหมือนพยับแดดคือมีลักษณะลวงตาตัดพวงดอกไม้ของพยามารคือความวนเวียนในภูมิทั้งสามพึงบรรลุสภาพที่พยาม จ, จุราชมองไม่เห็น ฟองน้ำหมายถึงฟองบนผิวน้ำซึ่งเกิดขึ้นแล้วแตกไปหนึ่งร้อยเจ็ดห่วงน้ำใหญ่มรุตยูมรตยูย่อมพานอรชนผู้มัวเก็บดอกไม้คือการอารมณ์มีใจคล้องในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดเอาชาวบ้านที่กำลังนอนหลับไปฉะนั้น 108อยแ น, นาจของความตายความตายย่อมทานรชนผู้มัวเก็บดอกไม้คือกามอารมณ์มีใจคล้องในอารมณ์ต่างๆไม่อิ่มในกามให้ไปสู่อำนาจข้อความจากธรรมบท109ระอาพระอรหันต์ไม่เก้าล่วงฐานะเก้าประการ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีฐานะอยู่ที่นักบวชเจ้าลทัทธิอื่นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะสักยะบุตรอยู่อย่างนี้มีธรรมะอันไม่ตั้งมัน่นเมื่อนักบวชเจ้าลทัทธิอื่นกล่าวอย่างนี้ท่านพึงกล่าวว่าผู้มีอายุธรรมะที่พระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้ว บัญญัติแล้วมีอยู่เป็นธรรมอันไม่พึงก้าวล่วงตลอดชีวิตเหมือนหนึ่งเสาเขื่อนเสาเหล็กฝังไว้ลึกฝังไว้ดีแล้วเป็นของไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะเทือนฉะนั้นผู้มีอายุภิกษุผู้เป็นอรหันตขีนาศผู้มีกิจอันพึงธทมได้ทำเสร็จแล้ววางภาระแล้วมีความต้องการของตนอันบรรลุแล้ว สิ้นกิเลสอันเป็นเหตุมัดไว้ในภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุผู้เป็นอรหันต์ขีนาศบนั้นเป็นผู้ไม่เป็นไปได้ที่จะก้าวล่วงฐานะก้าวประการหนึ่งไม่เป็นไปได้ที่จะจงใจฆ่าสัตว์มีชีวิต 2. ไม่เป็นไปได้ที่จะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ อันกล่าวได้ว่าเป็นอาการของขโมยสไม่เป็นไปได้ที่จะเสพเมถุนธรรม4ไม่เป็นไปได้ที่จะกล่าวเท็จโดยเจตนาห้าไม่เป็นไปได้ที่จะทำการสะสมบริโภคกรรมเหมือนเมื่อเป็นคฤหัสถ์ในการก่อนหกไม่เป็นไปได้ที่จะถึงความลำเอียงเพราะรักเจ็ด ไม่เป็นไปได้ที่จะถึงความลำเอียงเพราะชัง8ไม่เป็นไปได้ที่จะถึงความลำเอียงเพราะหลง9ไม่เป็นไปได้ที่จะถึงความลำเอียงเพราะกลัวข้อความจากปาสาธิกสูตรหนึ่งสไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตาเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดไม่ใช่ตัวตนสิ่งนั้นไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้ท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้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 พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหนายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเบื่อหนายก็คลายความกำหนัดหมายถึงความติดใจเพราะคลายความกำหนัดก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็มียานรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว เธอย่อมรู้ว่าชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรมจรรย์คือการประพฤติเหมือนพรมคือไม่ครองเรือนได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้เพื่อมาเกิดอีกไม่มีข้อความจากสังยุตตนิกายสลายตนะวัช 111. อผู้ชื่นชมทุกดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดชื่นชมตาหูจมูกลิ้นกายใจชื่นชมรูปเสียงกลิ่นรสผลธพะหรือสิ่งที่ถูกต้องได้ธรรมะสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจผู้นั้นชื่อว่าชื่นชมทุกผู้ใดชื่นชมทุกผู้นั้นเรากล่าวว่า ย่อมไม่พ้นไปจากทุกได้112ความเกิดความดับแห่งทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดปรากฏแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมะคือความเกิดขึ้นแห่งทุก ความตั้งอยู e <hi> ่แห่งโรคความปรากฏแห่งความแก่และความตายดูก <collapsed. S 2> ่อนภิกษุท <cop Maple> ั้งหลายความดับความระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งตาหูเป็นต้นเหล่านั้นคือความดับแห่งทุกข์ความระงับแห่งโรคความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งความแก่และความตาย 113. ตาหูเป็นต้นมีที่ไหนมานมีที่นั่นท่านพระสมิทธิกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำที่กล่าวกันว่ามานมานนั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงชื่อว่ามานหรือบัญญัติว่ามานได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนสมิทธิ ในที่ใดมีตามีรูปคือสิ่งที่เห็นด้วยตามีความรู้แจ้งทางตามีธรรมะที่พึงรู้แจ Loc, campaign, ้งด้วยความรู้แจ้งทางตาในที่ใดมีหูมีเสียงมีใจมีธรรมะคือสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจมีความรู้แจ้งทางใจมีธรรมหรือธรรมะที่พึงรู้แจ้งด้วยความรู้แจ้งทางใจในที่นั้น ย่อมมีมานหรือมีการบัญญัติว่ามานได้ดูก่อนสมิธิในที่ใดไม่มีสิ่งเหล่านั้นในที่นั้นย่อมไม่มีมานไม่มีการบัญญัติว่ามานได้หนึ่งนรกที่ตาหูเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เป็นลาภของท่านทั้งหลายท่านได้ดีแล้วขณะเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันท่านได้รับแล้วนรกอันชื่อว่าเนื่องด้วยอายตนะสำหรับถูกต้องอารมณ์หกชนิดเราได้เห็นแล้วในนรกนั้นบุคคลย่อมเห็นรูปใดๆด้วยตาก็เห็นแต่รูปที่ไม่น่าปรารถนาไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนา เห็นแต่รูปที่ไม่น่าใครไม่เห็นรูปที่น่าใครเห็นแต่รูปที่ไม่น่าพอใจไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเขาฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องโพธพภะคือสิ่งที่ถูกต้องได้รู้ธรรมะคือสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจก็ได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้ถูกต้องได้รู้แต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใกลไม่น่าพอใจไม่ได้ฟังไม่ได้ดมไม่ได้ลิ้มไม่ได้ถูกต้องไม่ได้รู้สิ่งที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจหนึ่งร้อสิบห้าสวรรค์ที่ตาหูเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของท่านทั้งหลายท่านได้ดีแล้ว ขณะเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันท่านได้รับแล้วสวรรค์อันชื่อว่าเนื่องด้วยอายตนะสำหรับถูกต้องอารมณ์หกชนิดเราได้เห็นแล้วในสวรรค์นั้นบุคคลย่อมเห็นรูปใดๆด้วยตาก็เห็นแต่รูปที่น่าปรารถนาไม่เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาเห็นแต่รูปที่น่าใคร่ไม่เห็นรูปที่ไม่น่าใคร เห็นแต่รูปที่น่าพอใจไม่เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจเขาฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องผุถพะคือสิ่งที่ถูกต้องได้รู้ธรรมะคือสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจก็ได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้ถูกต้องได้รู้แต่สิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจไม่ได้ฟังไม่ได้ดมไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้ถูกต้อง ไม่ได้รู้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ116เวียนไหวาตายเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนท่อนไม้ที่โยนขึ้นไปในอากาศบางครั้งก็ตกลงทางโคนบางครั้งก็ตกลงทางกลางบางครั้งก็ตกลงทางปลาย สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปบางครั้งก็ไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้บางครั้งก็มาสู่โลกนี้จากโลกอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีที่สุดอันตามไปไม่พบไม่ปรากฏเงื่อนเบื้องต้นเบื้องปลาย ของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่ควรเพื่อจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงควรที่จะไปเสียข้อความจากสังยุตตนิกายนิทานวัรหนึร้อรายอะไรยาวนานสำหรับใคร ราตรีของผู้ที่ตื่นยาวนานโยธของผู้เมื่อยล้ายาวสงสารหรือการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดของคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งพระสัตย์ธรรมยาวหนึ่งความเป็นสหายในคนพาลไม่มีถ้าเที่ยวไปไม่พบคนที่ดีกว่าตนหรือเสมอตน ก็ควรบำเพ็ญความเป็นผู้เที่ยวไปคนเดียวให้มั่นเพราะความเป็นสหายในคนพานไม่มี119ของเราแน่หรือคนเขาย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเรามีอยู่ทรัพย์ของเรามีอยู่ก็ตนของตนยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีแต่ที่ไหน 120. ยสิพานและบัณฑิตที่รู้จักตัวเองคนพานรู้จักความเป็นพานของตนก็เป็นบัณฑิตได้บ้างเพราะเหตุนั้นแต่คนพานที่สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตเรากล่าวว่าเป็นพานแท้หนึ 1, ่ง้ยี่สิบเอ็ดทับผีไม่รู้รสแกงถ้าคนพาน เข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตจนตลอดชีวิตแต่ไม่รู้แจ้งซึ่งธรรมะคนภานั้นก็เหมือนทัพพีที่ไม่รู้รสแกงฉะนั้นหนึ่ง้อยสบสองลิ้นรู้รสแกงถ้าวินยูชนเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียวแต่รู้แจ้งซึ่งธรรมะได้โดยพลันวินยูชนนั้น ก็เหมือนลิ้นที่รู้รสแกงฉชนั้น123มีตนเป็นอมิตรคนพานย่อมเที่ยวไปกับตนที่เป็นอมิตรนั่นแหละทำบาปกรรมอันมีผลเป็นที่เดือดร้อนข้อความจากธรรมบท